ท้องปวดท้องมากเลยพ่อก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยเรียกไปซื้ อ, อยาลูกนี่ก็เป็นผู้ชายนะอายุประมาณสักสิบสองสิบสามก็เรียกวิ่งเลยนะไปซื้ อ, อยาร้านยา น, นี่มันอยู่ตรงข้ามนะอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ํำนั่นก็ต้องข้ามสะพานสะพานก็เป็น สะพานแคบแคบพ่อเนี่ยรอลูกเนี่ยสองสามชั่วโมงแล้วร้อนใจมากว่าทำไมลูกยังไม่กลับมาพอแม่นี่ก็ร้องปวดท้องสุดท้ายนี่ก็ต้องไปตามนะว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกก็ไปเห็นลูกเนี่ยยืนอยู่บนสะพานแล้วก็ยืนประจันหน้ากับเด็กวัยเดียวกันนะ ลูกเนี่ยนะสงสัยจะอยู่บนสะพานนี่นานแล้วเพราะว่าเหงื่อนี่เต็มหลังเลยเพราะว่าตอนเช้านี่แดดมันแรงลูกกับเด็กชายอีกคนถึงก็ยืนจังก้าอยู่งั้นนะไม่ขยับขยื่นแล้วก็ไม่มีใครหลุดทางให้เพราะว่าสะพานเนี่ยมันอมันแคบ พอไปถึงก็ถามรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ไปซื้อยาลูกชายก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นสะพานก่อนแต่ว่าเด็กชายคนนึงเนี่ยไม่ยอมถอยไม่ยอมหลีกเด็กชายคนนั้นก็บอกว่าเขาอะขึ้นสะพานก่อน เพราะฉะนั้นคนที่คนที่ถอยเนี่ยนะก็คือลูกของพ่อคนนั้ น, น พ, พ่อที่เป็นพ่อนี่พอได้ฟังเรื่องราวก็กลับบอกว่าเนี่ยเออดีแล้วลูกกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะยืนแทนลูกเองก็กลายเป็นว่าเนี่ยเรื่องนี้นะแทนที่แม่จะได้ยา มาระงับปวดนี่ก็เป็นอันว่าไม่ได้ยาเพราะทั้งตัวลูกแล้วก็ตัวสา ม, มีเนี่ยไม่ยอมจะไปซื้อยาก็ต่อเมื่อเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยนะถอยออกไปก่อนคือถ้าเด็กอีกคนหนึ่งไม่ยอมแพ้นี่ยเขาก็ไม่ยอมถอยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องคนที่ นะไม่ยอมถอยนะพ่อเนี่ยคงจะสอนลูกนะว่าเนี่ยเราต้องเข้มแข็งนะเจออะไรอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมถอยนะลูกก็เชื่อพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเด็กอีกคนหนึ่งนี่ไม่ยอมถอยตัวก็ไม่ถอยเหมือนกันนะโดยอ้างความถูกต้องว่าเนี่ยฉันขึ้นสะพานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ควรถอยก็คือเด็กอีกคนหนึ่ง ต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือแม่นะเพราะว่าแม่นี่ไม่ได้กินยาสักทีนะรอมาสองสามชั่วโมงแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องสะท้อนนี่เห็นนะของคนซึ่ดื้อแต่ว่าไปเนี่ยรว่ามีอัตรามีอัตราใหญ่อัตราใหญ่เนี่ยมันก็แสดงอาการออกมาอย่างนึงคือการที่ไม่ยอมถอย ไม่ยอมแพ้แล้วก็จะอ้างความถูกต้องว่าฉันเป็นฝ่ายถูกแกเป็นฝ่ายผิดฉันขึ้นสะพานก่อนเพราะฉะนั้นฉันก็มีสิทธิ์ที่จะลงสะพานไปซื้อยาก่อนอีกคนนึงก็ต้องเป็นฝ่ายถอยในการมีอัตราที่ใหญ่เนี่ยมันก็แสดงอาการในหลายลักษณะนะ นอกจากไม่ยอมถอยแล้วเนี่ยก็ก็ยังไม่ยอมรับผิดทั้งที่ตัวเองเนี่ยอาจจะทำอะไรผิดพลาดมาบางทีความเห็นอาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือการกระทำอะไรบางอย่างก็อาจจะผิดแต่ทั้งที่รู้นะก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับผิดนะเพราะตามมันยอมไม่ได้นะที่ตัวเองเนี่ย จ, จะเป็นฝ่ายผิด ธรรมชาติของอัตตาซึ่งเราจะเรียก ม, มานะก็ได้มานะคือความถือตัวทั้งอัตตาหรือมานะนี่ก็ความหมายก็คล้ายๆกันแหละคนที่มีอัตตาสูงเนี่ยเก็เเจะไม่ยอมรับผิดง่ายๆก็เถียงเถียงไว้ก่อนบางทีเถียงข้อเป็นเอเลยแล้วพอมีอัตตาใหญ่เนี่ยมันจึงจะไม่ยอมไม่ใครมาขัดใจนะ ใครมาขัดใจไม่ได้หนระือเด็ยก็เป็นเงินเยอะนะพ่อแม่ขัดใจลูกนี่ลูกไม่ยอมแต่ที่จริงไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเพราะว่าอัตตาเนี่ยมันต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจให้เป็นไปตามความต้องการตัวเองอินทรคาเนี่ยนะขัดใจ ไม่ตามใจตัวเองเนี่ยก็จะเกิดความโกรธแล้วความโกรธนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะของคนที่มีอัตตามากโดยเพราะเวลาไม่ใช่แค่คนอื่นทําให้ถูกใจแม้เพียงแค่เขาแนะนำตักเตือนก็ก็ไม่พอใจเพราะว่า อัตตาเนี่ยมันอย่างที่บอสน่ยมันยอมรับผิดไม่ได้มันก็สำคัญว่าเนี่ยฉันดีฉันเก่งแั้แม้แค่แม้แต่คำแนะนำเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปไปพิสูจน์หรือไปแสดงว่าเนี่ยแกไม่เก่งจริงนะอัตตาก็เลยทนไม่ได้ต้องโกรธนี่ขนาดคำแนะนำนะยังไม่ต้องพูดถึงคำตำหนิ หรือคาต่อว่านี่ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แต่เพราะความอยาิตาเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เป็นคนที่ชอบโอ้อวดนะเพราะว่ามันต้องการประกาศตัวว่าเนี่ยกูเก่งกูดีนะกูหล่ อ, อ ก, กูสวยมีอะไรดีที่ทำให้ตัวเองเด่ น, นก็ต้องมาโชว์ต้องมาแสดง บางยำก็ไม่ได้เป็นการโอ้อวดแบบจงคล่มนะแต่ว่าอาจจะมีลักษณะเนียนๆโดยเพราะในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยเดนนี้เราก็โชว์หรือโ อ, อวดกันผ่านภาพถ่ายโอวดนมกระทั่ทงว่าไปกินอาหารร้านดังหรือว่าไปเที่ยว สถานที่ที่สวยงามเดี๋ยวนี้คนก็นิยมถ่ายนะแล้วเดี๋ยวนี้สถานที่ต่างๆก็มักจะมีจัดฉากฉากหลังเอาไว้ว่าได้ไปที่ไหนเพื่อให้คนไปถ่ายรูปแล้วก็เอาขึ้น a c e b o o k เพราะคนก็นิยมนะเพราะว่ามันเป็นการอวดนะว่าฉันได้มาเที่ยวฉันมีความสุขแม้กระทั่งมาวัดเนี่ยมาวัดก็มาถ่าย ถ่ายเพื่อไปอวดว่าฉันได้ไปวัดนี้รวมทั้งถ่ายถ่ายรูปนะเวลามากราบพระพระที่มีคนรู้จักมากก็อยากจะถ่ายรูปด้วยครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์หรือว่าผู้ที่เป็นเขายกย่องเป็นพระอรหันต์ก็อยากจะถ่ายรูปเพื่ออะไรนะเพื่ออวดนะ อวดว่าเนี่ยฉันมีบุญนะฉันได้มาได้มากราบผูบาอาจารย์พวกเธอไม่มีโอกาสอย่างฉันนะนี่ก็เป็นการอวดแบบหนึ่งนะรวมทั้งการอวดว่ามาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมาเข้าคอสภาวนาแล้วคนก็อยากจะอวดให้ใครๆ ร, รู้และเดี๋ยวนี้มันก็ทำได้ง่ายเพราะมันมีเฟ e บุ o k นี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มนะหรือว่าพนออัตตานะของคนสมัยนี้โดยที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นการ อ, อวดด้วยคำพูดนะแต่ว่ามันก็เกิดจากเจตนาเดียวกันก็คืออยากจะให้คนได้รู้ว่าเนี่ยฉันมีโชคดีอย่างงน้นฉันได้ ไปเจอสถานที่ดีๆแบบนี้ทนี้ก็เป็นเกิดจากแรงจูงใจของอัตตานะที่ต้องการโชว์ต้องการแสดงหรือต้องการประกาศเพียงแต่ว่าอาจจะละเอียดละไมถจะเป็นถ้าหยาบๆหน่อยก็อาจจะประกาศอัตตาหรือโชว์แสดงตัวตนด้วยการขีมม่มอเตอร์ไซค์เสียงดังๆเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีพวกขีมม่มอเตอร์ไซค์ แล้วก็แต่งเครื่องให้มันดังเข้าไว้เพื่อประกาศให้คนได้รู้ว่าเนี่ ย, ยนี่กูเว้ยนะอันนี้ก็เป็นการอวดนะเป็นการโชว์เป็นการแสดงอัตตาแบบห ย, ยาบๆซึ่งคนที่คนจำนวนมากก็ไม่อยากจะโชว์แบบนั้นโจงครึมแต่ก็มีวิธีการโชว์แบบเนียนๆนนะผ่าน Facebook ผ่านการได้ทำในสิ่งที่ ช่วยสร้างภาพลักษ์ให้ดูดีขึ้นแล้วมันมีวิธีการหลายอย่างอัตตาเนี่ยที่มันแสดงอาการออกมารวมทั้งการต้องการได้รับความสำคัญด้วยนะถ้าหากว่าไม่ได้รับความสำคัญเนี่ยอนนี้ก็แสดงอาการนะในสายพุทธการเนี่ยมีคราวหนึ่งนะพรายฤาบุตเนี่ยจะ ออกเดินทางไกลสำนักเชตวันเนี่ยก็มีพระที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรเยอะก็มายืนส่งนะยืนส่งท่านเดียเป็นแถวเลยพระสารีบุตรท่านก็เป็นพระที่สุภาพนะท่านก็ทักทุกคนเลยทักทุกคนที่มายืนรอส่งท่านถามชื่อถามโคดนะแต่ว่า ท่านไม่ได้ทักพระรูปหนึ่งนะเพราะว่าคนเยอะมากพระรูปนั้นไม่พอใจมากเลยนะท่านที่อ้างว่าตัวเเป็นสิทธิ์พระสารีบุตรนะอุตสามาส่งอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ทักไม่ถามโกรธมากเลยถึงกับกล่าวหาพระสารีบุตรว่าเนี่ยทำลายท่านเพียงเพราะว่าชายจีวรหรือชายสังฆาติน่ยไปถูกท่านนิดหน่อยเนี่ยอาเหตุเลยนะ ไม่พอใจนะไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าถูกมองข้ามนะไม่ได้รับความสําคัญนี่ขนาดเป็นพระนะแล้วขนาดนับถือพระเสด็จบุรุเป็นอาจารย์เนี่ยแต่ว่าพอไม่ได้รับความสําคัญนี้อัตตามันแสดงเลยแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความไม่พอใจแต่อาจจะไม่แสดงอาการถึงขนาดตอบโต้แก้แค้นอย่างนั้นนะ แต่ก็อาจจะทําอะไรบางอย่างที่บางทีมันก็น่าหัวนะมีเพื่อนเนี่ยเขาเราว่าเนี่ยเคยไปซื้อไปหาซื้อผลไม้เถวคลองเตยในยตลาดคลองเตยมันก็มีแผงผลไม้เนี่ยอยู่หลายล้านเลยหลายแผง ก, ก็เริ่มต้นจากแผงแรกเนี่ยก็ดูผลไม้ไปถามราคามาม่วงบ้างส้มบ้างแต่ก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็เดิน ไปที่แผงสองแล้วก็ไปที่แผงสพอไปจนสุดแล้วเนี่ยก็กลับมาที่แผงหนึ่งแล้วเขานี้ก็หยิบมะม่วงแล้วก็ส้มเพื่อยื่นให้คนขา ย, ยแต่คนขายบอกว่าไม่ขายให้เพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้มาที่แรงมาดูแล้วเนี่ยไม่สนใจไปดูแผงอื่น แบบนี้ฉันไม่ขายให้เนี่ยมันก็แปลกนะคนติเคือนพ่อค้าเนี่ยนะก็ต้องยินดีนะน่าจะยินดีที่มีคนมาซื้อผลไม้ของเขาแต่นี่เขาไม่ยินดีเพราะเขาโกรธนะโกรธที่เมินเมินเขาตั้งแต่ตอนแรกนะไปสนใจแผงอื่น และทีนี้พอรั่วแผงอื่นไม่มีอะไรที่น่าสนใจทอดแผงฉันกลับมาซื้อใหม่ฉันไม่ขายให้อันนี้มันก็สะท้อนหนึ่งอัตตานะว่าเนี่ยฉันไม่พอใจเพราะไม่ได้ให้ความสำคัญกับฉันแลพะพออัตตามันออกฤทธิ์นี่บยยางทีมันก็แสดงความโง่ออกมาเนะเพราะว่าวิสัยของพ่อค้าหรือแม่ค้าเนี่ยก็ควรจะยินดีที่มีคนมาซื้อนะ แต่ว่าพออัตตามันอารวาเนี่ยมันออกเล็ินเนี่ยให้ความหลงความโ ง, ง่มันก็มาแทนไม่ยอมขายนะมันก็หน้าหัวเหมือนกันแต่นี่มันก็เป็นลักษณะนะของอัตตาเนี่ยที่มันต้องการได้รับความสำคัญถ้าว่าเมินเฉยหรือไม่ทักด้วยเนี่ยก็จะโกรธกทั้งที่ ก็อาจจะมีเหตุผลอื่นนะที่ไม่ทักหรือว่าไม่เห็นแล้วคนนี้เนี่ยนะเป็นเพราะว่ า, าตาเนี่ยมันต้องการประกาศให้ใครเห็นว่าเนี่ยฉันดีฉันเก่งเพราะฉะนั้นก็ปรารถนาความโดดเด่นแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเด่นกว่านะก็จะโกรธนะหรือไม่พอใจเด่นกว่าเนี่ยก็มีทั้งว่าสวยกว่า หรือว่าฉลาดกว่าหรือว่ามีรถคันใหญ่กว่านะหรือว่าได้โบนัสมากกว่านะมีตำแหน่งสูงกว่าจะเกิดไม่พอใจเขานะบางทีเกลียดชังเขาขึ้นมาเลยโดยที่บางทีเจ้าตัวไม่รู้นะไม่รู้ตัวนะแต่ว่าไม่ไม่ชอบ ไม่พอใจหรือโกรธคนคนนี้อันนี้เกิดจากความอิจฉาความอิจฉานี่มันก็มีเล่ากันมาจากอัตตาเนี่นะที่เห็นคนหนึ่งเขาดีกว่าเด่นกว่ามันก็ไปบดบังนะบดบังรัศมีของตัวเองแต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหรนะ่ก็จะแสดงความเด่นความดังไม่ใช่แค่ด้วยการโชว์ด้วยการโอดอวดบางทีอาจจะด้วยการ ข่มเขาข่มเขาเรีวยกตนข่มท่านอาการการยกตนข่มท่านหรือว่าข่มใครต่อใครไม่ว่าเพื่อแสดงว่าฉันฉลาดกว่าฉันดีกว่าฉันมียศสูงกว่านี่มันก็เป็นธรรมชาติของอัตตาเลยนะและที่สำคัญอย่างนี้ก็คือการพยายามไปควบคุม พยายามควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจตัวควบคุมคนนั้นคนนี้นะหรือบางทีเราควบคุมไปถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศธรรมชาตนะิคนยุคนี้มีอัตราสูงมากเพราะว่าหลงตนว่าเนี่ยจะควบคุมทุกอย่างได้แต่ว่าคนที่มีกําลังน้อยนะก็อาจจะควบคุมคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะรู้สึกเสียหน้า รู้สึกว่าแพ้รู้สึกว่าทนไม่ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะแกก็ค่อนข้างจะก้าวร้าวเนี่ยกับเมียมากเลยด่าว่าคมบางทีก็ถึงกับใช้กำลังจนกระทั่งเมียนี่ทนไม่ไหวนะก็หนีนะทิ้งลูกเนี่ยให้ ให้ผู้ชายนี่เป็นฝ่ายเลี้ยงผู้ชายเนี่ยพอเมียจากไปเนี่ยโหรู้สึกเลยนะว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขานะเพราะว่าการกินการอยู่ก็ลําบากมากนะและต้องเลี้ยงลูกอีกกนะ็เลยพยายามไปงอนะเพราะว่าได้ข่าวว่าเนี่ยเมียไปอ่านะไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารไปงอ้อ ต่เมียก็ไม่สนใจแกรย้สึกเสียหน้ารสึกโกรธมากเลยพอเมียเข้าห้องน้ำนี่แกวเข้าไปเลยนะแล้วก็ไปแทงเาจนตายเลยพอรู้สึกว่าเนี่ยในเมื่ อ, อฉันงอแล้วไม่สำเร็จนะ่ทนไม่ได้ที่จะเป็นฝ่ายแพย้เป็นฝ่ายที่ยอมนะก็ต้องพยายามที่ไปเอาชนะ เอาชนะทางอื่นเอาชนะด้วยกําลังเพราะยอมเป็นฝ่ายแพ้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอำนาจอัตตานะอำนาจกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการที่คนเราเนี่ยปล่อยให้อัตตามันครองใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านก็ให้ท่านก็สอนนะเนี่ยอัตตาเนี่ ย, ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะ ที่มันมีแต่จะนำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลดละหรือว่าละวางความยึดมั่นในอัตตาเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอัตตาก็มีประโยชน์นะถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้มนันที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ที่หลายคน ขยัมันเพียรในการเรียนเนี่ยก็เพราะอะไรอยากให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอยากให้ตัวเองเนี่ยมีอนาคตที่มั่นคงอันนี้มันก็เป็นเรื่องอัตตานะอยากให้ฉันเป็นคนดีก็เลยพยายามรักษาศีลอยากให้ตัวมีความสุขก็เลยพยายามที่จะเข้ามาภาวนาอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นพ่อแรงผลักของอัตตา มันมีประโยชน์หนึ่งนะที่เราสวดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อเราลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระ เ, เจ้าอยู่จงทำคารพธรรมคนที่รักตัวเองเนี่ยนะก็ย่อมหวังคุณเบื้องสูงไอ้รักตัวเองนี่มันก็เป็นเรื่องอัตตาเนอะอยากให้ตัวเองดีอยากให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขก็ต้องพยายามที่จะ ศึกษาปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวถูกสังคมรุปนามด่าว่าอันนี้ก็เพราะกลัวอัตตาเนี่ยมันมันถูกกระทบและอัตตาเนี่ยมันก็มีส่วนนะในการผลักดันให้เราทำความดีให้เราข้อหาธรรมแต่ว่าถ้าเรา ปอให้อัตตานี่มาคลองใจเนี่ยแทนที่เราจะใช้มันนะั้มันใช้เรานี่แย่เลยนะมันใช้เราเพื่อไปสร้างปนเปร์อัตตาให้ยิ่งใหญ่อันนี้ก็จะนํานำนำความทุกข์สร้างปัญหาขึ้นมาให้กับเจ้าตัวได้การที่คนเราเนี่ยต้องมีความภูมิใจในตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ คนเราถ้าภูมิจใจตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่ไม่มีความภูมิใจในตัวเองเนี่ยจะรู้สึกแย่ให้การที่ภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอัตตาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอัตตาฝ่ายฝ่ายดีแต่ถึงสุดท้ายเนี่ยนะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลดแล้วก็ละอัตตาให้ได้ ที่จริงการทำความดีเนี่ยมันก็เป็นวิธีการลดอัตตาได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่ทำตามน้ามกิเลสเหมือนทําให้เราฝึกหัดขัดกลาวตนเองแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือว่าไอ้ความดีที่ทำเนี่ยอัตตาอาจจะมาใช้เพื่อกปเสริมตัวตนให้ยิ่งใหญ่นะเอาเอาความดีมาเป็นเครื่องมือเพื่อ ปนเปิดอัตตาก็ได้วะเนี่ยว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีคนนับหน้าถือตาอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าถูกอัตตานี่มันหลอกใช้เอาความดีมาผลเปิดอัตตาแล้วเป็นกันเยอะนะคนที่เข้าวัดคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่รู้เท่าทานอัตตาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาความดีเอาธรรมะนี่มาเสริมสร้าง พนาพนาอัตตาให้มันฟูยิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งมีอัตตาสูงนะสังเกตได้นะเวลามีคนเขาพูดจาบางทีแค่กระทบนิดหน่อยก็โกรธเช่นเขาบอกว่าเนี่ยทำไมปฏิบัติธรรมแล้วยังโกรธอยู่หัวเนี่ยถือเป็นคํากระทบที่รุนแรงมากเลยนะนักปฏิบัติธรรมทนไม่ได้นะเวลามีใครมาพูดเนี่ย ทำไมยังโกรธนะทั้งที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นคำด่าที่รุนแรงนะทั้งที่ที่จริงแล้วมันก็มันก็เป็นคำที่ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่เพราะอัตตามันใหญ่ไงอยากจะให้ใครๆครเขามองเราในทางที่ดีหรืออยากจะให้ดูดีในสายตาคนอื่นอยากจะให้คนเขาเห็นว่าเราสารวมเราสงบแต่บอกเขว่าเราโกรธนี่โมโหมากอันนี้แสดงว่าเนี่ยอัตตาเยอะ หรือบางทีเขาก็บอกเนี่ยทำไมขาดสติแบบนี้ที่จริงมันก็เป็นคําที่เล็กน้อยนะแต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนักภาวนาจํานว น, ดนดมากนี่โกรธมากเลยนะมหาว่าไม่มีสติเนี่ยทั้งที่มันก็เป็นเรื่องธรรมดามันบากว่าการถูกด่าแม่ด้วยซ้ำหรือถูกด่าว่าเป็นคนคอร์รัปชันเป็นคนที่กระล่อนแต่เพียงแค่เขาหาว่าไม่มีสติโกรธเนี่ย อันนี้แสดงว่าอัตตาใหญ่แ้ะที่อัตตามันใหญ่นเพราะว่าไปไปหลงติดในความดีหรือปล่อยให้อัตตาเนี่มันเอาความดีมาเป็นเครื่องปรุงแต่งต่อเติมเสริมกิเลสเสริมอัตตาให้มันใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องระมัดระวังนะเพราะว่ายิ่งปฏิบัติธรรมไปบางทีกิเลสหรืออัตตามันเพิ่มมากขึ้น โลภะาอาจจะไม่มากนะแต่ว่าตัวมารณะเนี่ยมันจะแรงรวมทั้งตัวทิฐิด้วยนั้นก็ต้องมีสติแล้วเราก็หมั่นสังเกตแล้วก็รวมทั้งเนี่ยเออการเอาคําพูดพวกเนี้มาเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องทรมานอัตตาไม่ใช่แค่คําต่อว่าหรือคาําตำหนิว่ามีไม่มีสติหรือว่ามีความโกรธบางทีที่รุนแรงกว่า น, นั้นเนี่ยก็ ต้องพร้อมที่จะเอามาเป็นเครื่องอขัดเกลากิเลสหรือว่าขูดเกลาอัตตาให้มันเบาบางให้มันเล็กลง